ทรงประชุมสงบัญญัติศิขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอชักชวนกระเดินทางไกลร่วมกันกับมาตุคามจริงหรือภิกษุนั้นทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนีว่าโมคฆบุรุษฉณะที่เธอจึงชักชวนกระเดินทางไกลร่วมกันกับมาตุคามเล่าโมคฆบุรุษ